อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราปรรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเป็นรายการธรรมาราบระรุณพิเศษวันเสราร์อาทิตย์นะคะซึ่งเรืองก็จะได้นําท่านผู้ฟังนะคะมาสนทนาธรรมกับ ท่านพระอาจารย์ภัยบูรอภิปุโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเยศพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิพภ า, ากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในช้าวันนี้เป็นช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษา ย, ยนแล้วละคะ่ะหลังจากที่ได้มีการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของไทยเราก็คือช่วงเทศกาลสงกรานกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหยุดยาวกันทีเดียวซึ่งก็หลายๆท่านก็อาจจะไปเชี่ยวเตทหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะทําบุญทําทานให้ได้มีความสุข กายจุใจกันนะคะวันเสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายก็เป็นเสาร์ที่23เมษายนพุทธศักราช2554ค่ะเป็นวันแรม5ค่ำเดือน5ปีเถาะนะคะ ค่ะก็ได้เกิดมานะคะว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวมากเลยซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของวันผู้สูงอายุวันครอบครัวแล้วก็วันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยเรานะคะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราที่หลายๆท่านก็แน่นอนต้องไปไปวัด ทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันนะคะส่วนตัวดิฉันเองนั้นก็คิดว่ามีบุญวาสนาอย่างยิ่งที่จะได้ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาก็เป็นรุ่นที่24ของวัดป่าดอนหายโศกที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ ซึ่งการปฏิบัินั้นนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าพอไปแล้วเป็นช่วงระยะเวลานะคะคือหลักสูตนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง17เมษายนนะคะแล้วบรรดาญาธรรมทั้งหลายที่เข้าร่วมในรุ่นที่24นี้ก็มีอยู่ประมาณ 62-63 ท่านมีทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงซึ่งทางวัดบ่าดอนไยโศกนั้นก็จะมีการแยกสาหรับผู้ริกรเ้นชายและผู้ริกรเณรหญิง ที่จะปฏิบัติธรรมกันอย่างเคร่งครัดมากเลยแล้วก็การปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกในหลักสูต ร, รที่เราเรียกสั้นๆว่าการปฏิบัติแบบ หลีกเรนนี้เนี่ยเท่าที่ดันมีประสบการณ์ในการที่จะไปปฏิบัติธรรมในวัดหลายๆวัดมาก่อนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่แตกต่างไปจากวัดอื่นๆเลยนะคะแต่ผลที่ได้นั้นเนี่ยเดนคิดว่าทําให้ตัวเองนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีความเบาสบายแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะก็ถือเป็นวันการต้อนรับวันปีใหม่ไทยที่เป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตของเดนเองนะคะดังนั้นในวันนี้อยากจะขอนํา บุญเนี่มาเผื่อแผ่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าเอาบุญมาฝากนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันและเพื่อเป็นการที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านห ล, หลายๆท่านได้มีโอกาสที่จะรับรู้ถึงรายละเอียดของหลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาของทางวัดป่าดอนหายสศกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาที่โตภโสท่านเจ้าอาวาสนะคะดังนั้นในเช้า วันนี้ก็จะขอนําท่านผู้ฟังนะคะมาสนทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอ็อรสะอาดที่โตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปพากรซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสของวดัดรวมทั้งพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านเป็นวิทยากรประจํารายการสนทนาธรรมอของเรานะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้มัสการนพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอ็อรสะอาดที่โตภาโสและพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าคาะหลวงพ่อ และพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะออย่างที่โยมเกิดไปนะเจ้าค่ะว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยที่โยมได้อได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แล้วก็ทางพระเดชระคุณหลวงพ่อดรสะอาดนะเจ้าค่ะที่ให้ได้ไปร่วมหลักสูตรหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเป็นรุ่นที่ยีิบสี่ของทางวัดบาดอนหายโศกซึ่งก็จัดกันระหว่างวันที่เก้าถึงสิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมานี้เองนะเจ้าคะทีนี้ตามประสบการณ์ของโยมเนี่ยเจ้าค่ะที่เคยไป ปฏิบัติธรรมนะว่าอื่นๆมาก่อนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอ่าหลักสูตรของวัดป่าดอนหายโศงนั้นอ่ะมีความแตกต่างไปจากวัดอื่นๆที่โยมเคยไปมามแล้วก็การปฏิบัติธรรมนั้นมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างมีการปิดวาจา ก, ก็คือว่าเรเล่นจริงๆตามที่พระสรรมสัมพุทธเจ้าได้ได้อสั่งสอนมานะเจา้าค่ะว่าเราจะต้องอยู่กับตัวของเราแล้วก็ทํามีการนั่งสมาธิอนาปานสติแล้วก็มีการเอ นั่งวิปัสนาอะไรต่างๆอย่างดีมากเลยก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดยมอยากจะขอความเมตตาพระเดชปุกุลหลวงพ่อดรสะอาดเจ้าค่ะว่าอ่าหลวงพ่อมีความคิดอย่างไรเจ้าค่ะจึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์ไพบูญพพุญอภิปุโนได้เป็นผู้ในการที่จะจัดหลักสูตรการปฏิบัติธรรมอย่าง น, นี้จนกระทั่งเป็นที่อยากจะประกาศให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าทางวัดตาดอนหายโศกนั้นได้รับประกาศนะคะ เกียรติคุณให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ห้าด้วยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องโมทนาสาธุกันอย่างยิ่งเลยขอกราบอนมัสการถามหลวงพ่อดรสหอาดเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อมีความคิดยังไรเจ้าค่ะจึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์ไพบุญได้ทําหลักสูตรหลีเกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเจ้าค่ะข อ, อนุมทนาเจ้าค่ะคืออาตมาได้พิจารว่าเราจะทําอะไรกัน เพื่อประโยชน์สุกแก่หมู่คณะแล็ญาติโยมทั้งหลายเราจะทำอะไรเราจะไปหาที่มันก็ไม่ได้โอกาสมันก็นานๆจะมีครั้งหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายแต่ถ้าเราจัดหลักสูตรหรือว่าให้มีการปฏิบัติแล้วคอยดูแลการปฏิบัติตรวจสอบผู้ปฏิบัติว่าทำเป็นหรือทำไม่เป็นต่อไปคนก็จะสนใจในการปฏิบัติมากขึ้น เนี่นี่แหละเจิญกรรไกรเลยคุยกันแล้วก็ปรึกษาหัลเล่กันในที่สุดก็เลยจัดขึ้นเจ้าค่ะอืแก้ซื้อทรั้งแรกก็ลําบากมากเลยอากระดานก็เอาไม้พวกที่เขาไม้อะไรเจาค่เออไม้ไอ้อันไม้ไมที่เขาทํำไม้แบบนะมาทํากระดานจค่าเอาก็เริ่มทำมาเรื่อยๆก็ไม่ถอยชู้ไม่ถอยจนว่าในที่สุด ก็ดีขึ้นดีขึ้นยโาโยมก็รู้จักของของท่านไปแต่เราก็ทําไปทำพอทําได้ก็ทําไปนะเจ้า ค, ค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทําเพื่อเอาชนะใครอะไรอย่างไรน น, นะเจ้า ค, ค่ะตามใจว่าววทำไงถึงจะเผยแพร่ ท, พทําในพุทธศาสนาให้คนได้รับทราบรับรูบร้มากใหยขึ้นกว่นี้ก็เลยเอานักสือของท่านพุทธทาสนำะมาพิจารณาดูเจ้าค่ะเป็นหลักสูตรที่ยิ่งใหญ่ ที่ท่านคนคว้าเอาอเฉพาะพระพุทธพาวพทวจนะทัง้งหมดมาลงไว้เป็นเรื่องเรื่องไปเจ้าค่ะเห็นว่าเรื่องนี้็ดีเรื่องนี้็ดีโอถทางนั้นเราจัดหลักสูตรนี้ขึ้นก่อนเจ้าค่ะต่อมาก็เพื่อญาติโยมเพื่อจะได้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นคือพื้นฐานของคนที่มาปฏิบัติก็ต่างกันคนที่ฟังอริยสัจจากพระโอษ์นี่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มี ก็เลยผ่อนลงมาให้เอานหนังสือวุทธศาสตร์ของพันอีกปิ่นมาอ่านให้พวกผู้ฟังได้ฟังด้วยชิพ่อจ้าค่ะซึ่งอันนี้เจ้าค่ะดีมากๆเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าแล้วก็ขอโทษมากนะที่จะทําได้เจ้าค่ะแต่เราก็ไม่ว่าเราเก่งกว่าเพื่อนละเราก็ว่าทําไปตามกําลังเรามีทําได้แค่ไหนแล้วก็ทําไปเอส่วน แต่โยมจะเห็นว่าดีว่าอะไรก็คอยเป็นหน้าที่ของญาติโยมต่อไปเจ้าค่ะแต่อาตมาก็พยายามที่จะจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กําลังสําคัญที่สุดคือท่านไิพุนเจ้าค่ะอ่าพี่พุโนโนหรือท่านตายนี่ยแหละรู้สึกว่าทํางานทำการได้ดีมากเลยเจ้าค่ะเป็นผู้โดยการหลักสูตรนะเจ้าค่ะเป็นผู้โดยการห <c oughs> ลักสูตรเจ้าค่ะอาตมาก็อยู่ในฐานะผู้พิพากาเขาคอยดูเลย แ ต, แต่โยมเห็นว่าหลวงพ่อไม่ใช่ดูแลอย่างเดียวนะเจ้าคะแต่ว่าหลวงพ่อจะอามานั่งเหมือนกับแผ่เมตตาให้ด้วยทุกครั้งที่ญาติโยมหรือว่าผู้หลีกเลนเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างช่วงเย็นอย่างที่วัดเนี่ยเรามีละคังปลุกตั้งแต่ตีสี่ครึง่งก็ทำสมาธิอะไรต่างๆตั้งแต่ตีห้าถึง หกโมงนะเจ้าคะหลังจากหกโมงก็ปฏิบัติอีกถึงเจ็ดโมงจากนั้นก็จะมีการได้รับประทานอาหารเชา้าซึ่งก็คือฉันเชา้าแบบพ อ, อไม่ถึงทานพร้อมกับทางวัดนะเจ้าคะคือคือหลวงพ่อแล้วก็พระองค์อื่นๆด้วยซึ่งเรา อ, อยู่ทาง เป็นธรรมยุทธ์นะเจ้าคะ่ะ <Yeah. S 2> ก็ฉันมือเดียวฉันมือเดียวดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติวิกเลนก็ต้องถือนอกจากถือศีลแปดแล้วก็ยังจะต้องแบบว่ารับประทานอาหารคือมื้อเดียวแต่หลวงพ่อก็เมตตาที่ว่าจะมีช่วงที่จะมีดื่มน้ําปานะนะเจ้าคะตอนกลางวันก็ยังจะมีอาหารว่างซึ่งก็คือไม่ใช่อาหารแต่ว่าเป็นพวกผลไม้น้ําอะไรต่างๆซึ่งก็ทําให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่าท่านเมตตาที่จะเข้าใจว่าเราไปแบบอย่างนั้นเนี่ยบางทีจะให้อดไป ทีเดียวเหมือนเหมือนอย่างพระป่าหรือพระธรรมยุทธเราก็คงจะทรมานไปนิดนึงนะเจ้าค่ะเพราะว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยนอกจากตอนเช้าพอเก้ามงอันนี้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอะนะคะพอเก้าโมงปุ๊บก็ตีละครังอีกละเราก็ต้องไปอฝึกอาณาปานสติเดี๋ยวสักครู่จะอเรียนถามในรายละเอียดจากา พ, ร พ, าพระทุกคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นพอตอนบ่ายครึ่งเราก็จะได้ฟังอ่าพุทธศาสตร์ ที่พระอาจารย์ภับูลได้เมตตาที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็มีหลังจากนั้นก็จะมีปฏิบัติอีกทีหนึง่งคือตอนหกโมงเย็นถึงอันนี้นี่จะถึงสามทุ่มครึ่งเลยซึ่งเป็นช่วงยาวเลยนะเจ้าคะก็เข้านอนกันก็นกคงประมาณสามทุ่มครึ่งปิดไฟคือทั้งวัดนี่ก็จะมืดสงบ มากๆเลยแล้วก็แต่ละกุฏินั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติด็กเล่นก็จะอยู่เพียงหนึ่งคนคือแบบอยู่ตัวคนเดียวจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้อยู่กับตนเองจริงๆแล้วก็จิตใจสงบขึ้นจริงๆอันนี้หลวงพ่ อ, อมีแนวคิดยังไงเจ้าค่ะถึงได้อทําหลักสูตรที่เรียกว่าคนที่ไปปฏิบัติเนี่ยมีความสุขเข้าถึงพระธรรมจริงๆเข้าใจถึงาศาสนากันอย่างจริงจังโดยที่ไม่รู้สึกท ร, รมานนะเจ้าค่ะ ใ, ใช่ค่ะอันนี้มันมาจากพุทธวจนะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ตอนหนึ่งบอกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงหลกเลนเถิดเธอผู้หลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงใ่ไเอะเรามาฟังตรงนี้เราก็คิดเอ๊ะหลีกเลนแล้วมันจะรู้จำที่เป็นจริงได้ไงใช่ไหมหนัสือก็ไม่ได้อ่านอะไรก็ไม่ได้ทําเอมีสตีก็ลงไมใช้อย่างเดียวเราก็เลยมาลองทําดูค่ะโอ้มันดีจริงๆแล้วตัว พระองค์เองเตัวพระพุทธเจ้าเองเก็ทําเป็นตัวอ ย, อย่างคือพระองค์เนี่ยบางทีก็หายไปเลยเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างสามเดือนบ้างแต่ไม่ให้ใครเข้าพบเลยแล้วเปนภิกษุที่นำอาหารบินตบาดไปให้ไปทำอะไรไปอยู่องค์เดียวไปบินตบาดก็ไม่ไปน ะ, ะไปนั่งนิ่งๆแล้วก็หลีกเล่นอยู่ผู้เดียวเพื่อที่อะไร เ, เพื่อที่ว่าอจะได้มีความสุขกับการนั่งสมาธิ แล้ว อ, อย่างที่สองเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ตามมาในภายหลังเนี่ยได้ทําตามทําบ่อยมากจนกระทั่งพวกปริพาชกศาสนาอื่นเนี่ยเขามาโจดบอกว่าเอ๊ะสมณะโคโดมเนี่ยไม่ใช่พระพรุทธเจ้าหรือเปล่าทําไมต้องมาหลีกเล่นอยู่ยถึงขนาดโดนโจดเลยนะอ่าเหอ้าคะอ่าก็เลยมาดูว่าเอ้างั้นเราต้องทำเว้ยถ้าพระพุทธเจ้าทําถึงขนาดนี้เราต้องทําก็เลยได้มาหลวงพ่อก็ได้มาปรึกษาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงจงดีก็เลยคิดว่าเอานั้นเรา เรื่องของกฎการเล่นเนี่ยมาใช้แล้วกันแล้วก็คือในรายละเอียดที่อย่างคุณตื่นใจได้พูดนั่นะไม่ให้มีการคุยกันนะไม่มีภาษาท่าทางอะไรทั้งสิน้นมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราได้อยู่กับตัวเอง่อาแทนที่เราคุยกันมามากแล้วเนี่ยอายุจนป่านนี้แล้วเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่หยุดพูดเพราะนั้นถ้าเรามาหยุดพูดสักเจ็ดวันแนม่มันดีจริงๆอได้อยู่กับตัวเองมากๆซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ได้เห็นผลอย่างที่ปฏิบัติมา ใช่ค่ะก็เรียกว่าเอาต้องเรียนถ้าผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าถ้าเผื่อท่านจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกในหลักสูตรอ่ปฏิบัติแบบหลี<อ>เกเร้นของทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นเนี่ยต้องตั้งใจกันจริงๆค่ะว่าเราต้องมีศรัทธาภาษาธาทะที่ว่าจะตั้งใจปฏิบัติธรรม แล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางวัดเนี่ยเป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์ไบูรณ์อภิปุโนโได้ทำเนี่ยเชื่อมั่นเลยค่ะว่าดีอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็อตอนที่หีกเลนนี้ก็จะมี มีป้ายซึ่งพระอาจารย์ก็จะสั่งว่าให้ทุกคนนี้อ่านตลอดเวลาก็จะมีพุทธวจนะดีๆหลายอย่างเรียนให้ฟังว่าต้องตั้งใจแล้วก็จะได้อะไรดีๆซึ่งท่านคิดว่ามันเกิดขึ้นในใจเราอย่างยิ่งเลยนะคะคือแม้แต่ท่าทางจะมองสพตากันหรือจะมีที่เรียกว่าเป็น าาการเจ้าะขาภาษาท่าทางอะไรหลิวตาชี้อะไรก็ไม่ได้เลยนะแล้วก็ต้องเดินแบบว่าหลบสายตาแบบเหมือนอย่างพระเวลาออกบิดนาบาทอย่างนี้นะคะ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยพอเราทําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเลยนะคะท่ า, าฟังค่ะและอย่างหนึ่งก็คือทางทางวัดก็มีผู้ช่วยสอนซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักมากๆไม่เหมือนวัดอื่นๆที่เคยไปมาบ้างนะคะที่ผู้ที่จะช่วยอะไรต่างๆอาจจะดุนิดนึงแต่ว่าที่นี่นี่จะไม่มีเลยแล้วก็จะมานั่งสมาธิกับทางผู้เรีกเลนด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นั้นเห็นแล้วก็ประทับใจนะคะก็เลยอยากจะนํามาเผยแพร่ในรายการวันนี้ ให้ชมพูฝั่งทางบ้านได้ลองพิจารณาดูนะค ะ, ะแล้วก็ถ้าเปลือยไปแล้วก็รับรองว่าดีกันจริงๆนะคะค่ะอีกนิดนึงที่อยากจะขออนุ ญ, ญาตที่จะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลได้ได้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่า อ, อย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าหลัก หลีกเล่นก็คือปิดวาจาไม่มีการพูดจาอะไรโดยที่ว่าตลอดเจ็ดวันอยู่กับตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่พ่อจารย์สอนก็คือเรื่องการทําอานาปนาสติเจ้าค่ะอยากให้พ่อจารย์ชี้แจงตรงนี้นิดนึงกับเรื่องของการนั่งอธิษฐานซึ่งในวันที่สนีะ่นะั้นะก็จะพูดกันเรื่องนี้เจ้าค่ะวันที่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยเป็นมีใบประกาศแล้วเนี่ยคนที่เป็นราชการข้าราชการผู้หญิงนะสามารถ ลาไปปฏิบัติธรรมได้สามเดือนเจ้าค่ะถ้ามีใบประกาศอันนี้แหละเพราะนั้นต่อไปอธิวานเดินทางไปรับใบประกาศนี่วันที่ยี่สี่เมษายนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าไปประชุมบุคคบนี้เพื่ออะไรต่างๆเจ้าค่ะอันนี้เป็นระเบียบของทางราชการที่ก็ออกมาว่าให้สิทธิ์ของข้าราชการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถลาปฏิบัติธรรมได้ถ้าสถานปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับอนุญาตจาก ทางมาเทราสมาคมเจ้าค่ะซึ่งวัดปา่าละไนสงก็เพิ่งได้รับมาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ห้าธรรมยุทธเจ้าค่ะของจังหวัดอุดรธานีเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราได้อดําเนินการปฏิบัติมาหลายครั้งเป็นหลายหลายปีเนี่ยนะทำะมาสามปีแล้วล่ะเป้นปีที่สี่ทีนี้ในการปฏิบัติของเราที่อย่างที่คุณเดินใจพูดว่าใช้อนาปานัสติเพราะอะไรเจ้าค่ ะ, ะเพราะว่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญมาก การทำนาปานัตสติแล้วก็ทุกคนมีหมดอะ่ะเจ้าค่ะไม่มีคนไหนที่ไม่มีลมหายใจเจ้าค่ ะ, คะอ่าแล้วลมหายใจของคนไหนมันก็เหมือนกันเจ้าค่ะไม่มีลมหายใจของคนจนคนรวยเหมือนกันเจ้าค่ะและไม่มีลมหายใจของคนเหนือคนใต้เหมือนกันนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอันนี้ดีที่สุดเจ้าค่ะและบรุรเชัยก็ยกย่องอันนี้ส่งไว ม, มากนะใคร ต้องการได้สมาธิขั้นไหนต้องทําให้มากอนาปานสติใครต้องการไม่ต้องคิดถึงบ้านอยากคิดมากอย่าฟุ้งซ่านอานาปานสติใครต้องการได้มรรคผลขั้นไหนก็แล้วแต่อนาปานสติใครต้องการได้ชาสมาบัติขั้นไหนอนาปานสติแม่มันอันนี้สูงมากก็เลยหลวงพ่อก็ได้สอนอาตมาเรื่องอานาปานสติตั้งแต่ต้นเพราะในเมื่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบอกสอนวิธีการสังเกตลมหายใจเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เรารู้ แะครพอจะบอกสอนได้มาบอกสอนดันเราก็ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามเนี่ยอริยเจ้าก็ฝันทงไว้แล้วว่าจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงอะไเจค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้อีกเร้นทั้งหลายคนเนี่ยที่ได้มาบอกเล่ากับหลวงพ่อก็ดีและมาก็ดีเนี่ยหรือว่าคุณเตินใจได้ประสมมาเองเนี่ยก็แหมมัน เขาบอกได้เอด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครมาเปียก่อนไม่ต้องให้ใครมาบอกเขาว่าเป็นยังไงมันรู้ในจิตของเขาเองเพราะว่าการที่เขามีสติเท่านั้นเองเจ้าค่ะประการที่สองที่ถามเมื่อสักครู่คือเรื่องของนั่งอธิษฐานที่พอวันที่สามที่สี่พระอาจารย์ก็จะพอเราทําอานาปานสติเดี๋ยวขอให้โยมถามว่าการทําอานาปานสติคืออะไรเผื่อว่าท่านฟังทางบ้านซึ่งไม่ได้ปฏิบัติอย่างโยมเนี่ยจะได้รู้ก่อนเจ้าค่ะว่าอนาปานสตินี้คืออะไรเจ้าค่ะ อนาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเจริญวันเจ้าค่ะวิธีทมของเราคือวิธีทำก็คือคอยดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาลมกเดินออกเดินเข้าอยู่เราก็ตั้งสติคอยเฝ้าดูเฝ้าดูหรือว่าตั้งใจตั้งใจดูดูลมว่าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าสั้นยาวอะไรต่างก็รู้ตลอดเจ้าค่ะ เรารู้ความรู้สึกของเรามาอยู่กับลมแล้วทุกอย่างก็ว่างหมดเจ้าค่ะแต่ถึงแม้เรมหายใจจริงๆถ้าทำถึงที่สุดของมันมันก็วางหมด เจ้าค่ะลมหายใจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่สติส ว, สว่างสวายอยู่อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะที่โยมทำเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็คือที่หลังจากพระอาจารย์ไปบูรลได้บอกว่าให้นั่งอธิษฐานอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ด้วยเมตตาเล่าให้ตำรวจฟังนะคะว่านั่งอธิษฐานคืออะไรเจ้าค่ะอันนี้โยมจะทําแล้วรู้สึกว่าแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงหมดไปแล้วเหรอทั้งๆั้งที่เราเพิ่งจะหลับตาไปเองแล้วก็กําหนดจิตเนี่ยจะเงียบไปเหมือนกับเงียบเลยเจ้าค่ะเสร็จแล้วอาวส เสียงพระอาจารย์มาแล้วแสดงว่าหมดหนึ่งชัว่วโมงที่นั่งสมาธิอานาปานสติแล้วเจ้าค่ะคือการนั่งอธิษฐานตรงเนี้ยเป็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ า, าด้วยเหมือนกันเจ้าค่ะคือพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพลื่นก่อนการตรัสรู้เนี่ยคือมันตรัสรู้นั่นแหละเจ้าค่ะก็อธิษฐานจิตนะว่าเอ๊ถ้าเราไม่สมเร็จเป็นสมาธิสัมปทาเนี่ยจะไม่เลิกล้มความเพียรนี้เจาะหนังเอ็นกระดูกจะให้มันเหลืออยู่ก็ให้มันเหลืออยู่นะเนื้อในเลือดเนื้อในเลือดจะให้มันหายไปก็ให้มันหายไปแล้วค่ะ แต่ถ้าไม่สําเร็จเป็นสมาธิสมุทัยจะไม่เลิกความเปลี่ยนนี้เจ้ค่ ะ, ะเราก็เลยเห็นว่า้ตรงนี้มันดีนะแต่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นการทดสอบความเพี่ยนของตัวเองเ อ, อทดสอบความตั้งมั่นของตัวเองในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงกล้าแต่ถ้าไม่เสร็จไม่เลิกกลางคันเจ้าค่ะแต่บางทีเราเราจะทําอันนี้จะเริ่มทําอันนั้นโอ้ยทําไปเจออุปสรรคนี่หน่อยะอะพอละเลิกนะไม่ได้ค่ะอย่า ง, ง น, นี้นะเป็นการ ตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจค่ะที่พระอาจารย์บอกก็คือเราจะทําอนาปนานสติกก็คือว่าอนั่งสมาธิออยู่นี้เนี่ยจะไม่หนึ่งชั่วโมงจะไม่ขยับตัวจะไม่ลืมตาจะไม่อะไรเลยแล้วก็เพ่งจิตกันจริงจริงเจ้าค่ะก็คือว่าให้เป็นการฝึกให้ปลยวางทุกสิ่งแหละให้มันอยู่กับลมหายใจอย่างเดีย ว, วไม่มีการเปลี่ยนท่าไม่มีการลืมตา ก็ให้มันครบชั่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลามาตรฐานก่อนนักปฏิบัติเจ้าค่ะามาตรฐานเลยแป๊บเดียวเองค่ะจริ่านพระเนี่ยนะนั่งกันมากกว่า น, นั้นอีกท่านพระอย่างพระปฏิบัติจริงๆก็สองสามชั่วโมงชั่วโมงน้ำคืน ในยุ่งในช่วงปรรษาเนี่ยในวันพระบางทีทั้งคืนคืนหนึ่งเปลี่ยนท่าสองามครั้งเท่านั้นเองอย่างเงี้ยจนถึงเช้าไปบิณนบานหนึ่งชั่วโมงนี่มาตรฐานมากพนั้นจริงๆแล้วให้สำหรับนักปฏิบัติทั่วไปเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในการนั่งอธิษฐานเนี่ยก็จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาใช้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับมานะสาหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะแบบ สงสัยไม่กังวลว่าฉันจะนั่งได้แล้วฉันถ้าทีนั้นก็ไปแล้วเนี่ยน ะ, ะ, ะเขาไม่ต้องกังวลคือว่าให้ทราบว่าอ่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าทางเลือกที่เพิ่มเติมให้สำหรับ <จะ S 2> คน<ะ>ที่ต้องการจะฝึกจิต ก, ก็สามารถทําได้<า>แต่ก็ที่ทางวัดเองโยมก็สังเกตว่ามีเก้าอี้สีขาวเตี้ยนะเจาะ้าค่ะที่ว่า ใ, <ช>ใครที่ไม่สามารถนั่งกับพื้นได้นี่ก็สามารถนั่งเก้าอี้ก็ได้ไดอันนี้คพระอาจารย์ก็ผ่อนปลนให้แต่สําหรับโยมเองเนี่ยถึงแม้พระอาจารย์จะเมตตา ม, มีเก้าอี้ให้แต่โยมก็นั่งกับพื้นนะเจาะ้าค่ะแล้วตามที่มีเพื่อนๆญาติธรรมทีหลังที่เปิดวาจาแล้วว่าเจ้าค่ะก็มาคุยกันว่าวันหนึ่งสองสามยังพอไหวเจ้าค่ะแต่วันที่สี่นี่โยมแบบโอ๊ยปวดเมื ไปหมดปรากฏทุกคนเนี่ยสังเกตไปจะมียาหมองเจ้าค่ะทาขาทาจมูกอะไรกันแต่พอพ้นวันที่สี่เจ้าค่ะเราก็เบาสบายมากเลยเจ้าค่ะอันนี้อยากจะนมัสการกับเบญถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอานเจ้าค่ะว่าอันนี้เนี่ยที่เราทําแล้วเราสามารถที่จะผ่านพ้นมาได้แล้วรู้สึกว่าเราเบาสบายเนี่ยเจ้าค่ะเกิดจากพุทธานุภาพหรือว่าอะไรอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเกิดจากบอกให้เลยเจ้าค่ะเกิดจากการที่เราทำความเพียรนั่นแหละ นี่ดูนะเราไม่พูดมาระยะเวลาหนึ่งแต่มื่มีสติฟังธรรมะที่เป็นพุทธพจน์หลีกเล้นรับประทานอาหารแต่พอดีมันต้องได้พระพุทธเจ้าฟันธงไว้ใช่ไหมบอกว่าถ้าเธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนฟังทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเจ็ดปีต้องได้าเจ็ดปียกไวของก็ได้ถ้าปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเอาหกปีก็เปล่าเอาหกปียกไว้ก่อนถ้าปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนนี่ย้าปีสี่ปีสามปีสองปีหรือหนึ่งปีต้องได้ เจ้ค่ะอันหนึ่งปีย่อไว้ก่อนแต่ถ้าปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนนะทําอย่างที่เราสอนเลยนะเจ็ดเดือนต้องได้เจ็เดือนย่อไปก่อนก็ได้กันเอาหกเดือนต้องได้ได้ลงมาได้ลงมาถึงเจ็ดวันถึงหกวันห้าวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างที่พระุทธเจ้าสอนต้องได้อันนี้เป็นอันิี้ส่งของธรรมะเลยอืเป็นอันิี้ส่งของเราที่มีความเปลี่ยนพึ่งตนพึ่งธรรมไงแต่ถ้าเราทําต้องได้พระุทธเจ้าบอกงั้นคนที่การปฏิบัติถึงอ เป็นลำดับลําดับเนี่ยมีได้เพราะด้วยการฟังธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยมันต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามกฎไม่พูดกันใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีาการฟังธรรมะเนี่ยมันก็จะต้องได้ผลอย่างที่ผู้เรีนทั้งหลายได้กันเค่ะและที่ฟังธรรมานิยมคิดว่าสิ่งที่นิยมประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีพุทธวจนะที่เรียกว่าธรรมะจากพระโอษของอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนปดาสาวกเจ้าค่ะซึ่งอันนั้นนยมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลย กหลักสูตรตรงนี้เราก็เอามาจากหนังสือที่ท่านพุทดท่านได้ ร, รวบรวมเอาไว้เป็นคุรภัจฉะนะคเป็นเรื่องของอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่เขาจะเลือกตอนที่เหมาะสมมาอ่านในฟังเล่าให้ฟังในวันนั้นๆค่ะซึ่งวันนี้สำคัญเพราะว่า เราต้องใช้พุทธวชนะในการที่จะมาบอกสอนถึงให้ถูกต้องเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมคิดว่าอาจจะต้องขอความเมตตาว่าจะคุยต่อในเจ้าวันพรุ่งนี้น ะ, ะค ะ, ะเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงทีพของเครือข่าที่ว่ามาจากพุทธวจนะ <c oughs> ซึ่งพระอาจารย์ไทบูรลอภิปุโนเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เมตตาที่จะอ่านให้บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมหลีกเล่นได้ได้ฟังแล้วก็หลายคนก็ฟังแล้วก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ยังนึกเลยค่ะว่าจะขอความอ ่วมมือจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคุณดวมใจมัตยานุมาติและคุณปราณีสีสุขใสเนี่ยเจ้าค่ะจะนำเอาธรรมะจากพุทธโอษหรือธรรมะที่เป็นพุทธวจนะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งไม่มีแสดงที่ไหนเนี่ยจะกับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ภับุตรอุภิปุโนโดได้มาเสนอในรายการธรรมาราปรุลของเราซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังจะสามารถตามรับฟังได้นะคะหลังจากช่วงวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นช่วงที่เราจะเสนอนรายการพิเศษ ก่อนก่อนหน้านั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องตามรับฟังกันให้ได้เพราะจะมีพุทธวจนะธรรมมาจากพระโอษของอพระสมาสมาสุพุทธเจ้าจากพระอาจารย์ไปบุรอภิปุโนโหให้ได้ฟังกันนะคะข่าสุดท้ายนี้ไม่ทราบพระอาจารย์มีอะไรที่จะเสริมรนิดนึงมาเจ้าค่าเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา เวลาสักครึนาทีเจ้าค่ะก็จะบอกว่าการหลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นครูเช้าก็ชักชวนให้มาปฏิบัติค่ะการปฏิบัติเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่วัดไหนก็ได้แต่การหลีกเลนเนี่ยก็คุณจะต้องมีเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการผลการปฏิบัติจริงจังเจ้าค่ะเพรา ะ, ะนั้นเราก็เลยชักชวนกันให้มาถ้ามีถ้าได้ก็ให้มา เจ้าค่ะซึ่งในปลายเดือนนี้คือวันที่30พฤษภาคมเมสายนายา์เจ้าค่ะก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งแล้วนะเจ้า<ช>ค่ะเจ้าค่ะก็เรียนฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะหลักสูตรเอ่อกเร้นปฏิบัติ สมาธิวิปัสนาของวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนี้เนี่ยท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมหลักสูตรนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเพียงแต่ท่านเดินทางไปที่วัดเท่านั้นเองและเมื่อจบหลักสูตรแล้วท่านอยากจะทําบุญเพื่อที่จะไว้เป็นค่าอาหารสําหรับหลักสูตรผู้ที่ริกเลนรุ่นน้องๆก็สามารถทําได้ตามศรัทธาภาษาธาของท่านนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่าเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องอําลาจากท่านไปเพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้ เช้าในรายการธรรมาร บ, บุรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเป็นท่านเชิญชวนนะคะให้ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวดสะอาดที่ทุพภูโศท่านเจ้าอาวาดวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องที่พุทธวัจนะจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีพของครรค์หาเรา ว, ว่าควรจะดําเนินอย่างไรให้เป็นสิริมงคลนะคะ สำหรับเช้าวันนี้คงจะต้องนำท่านผู้ฟังกลาบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิทุภาโสและพระอาจารย์บุญอภิปุโนเพียงแค่นี้นะ mm hmm. คะกลาบน้ม <coping> em ัสการและกลาบขอพระคุณเจ้าค่ะจรดเล่นสาธุเจ้าสาธติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 5้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสามสิบนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ